เท่าทันความเกิดดาบของขันห้าขั้นที่สองของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรมเมื่อปลาสจากตัวการทำให้ขาดสติสติย่อมเจริญขึ้นจนเหมือนรู้สึกตัวอยู่เสมอถึงจุดนั้นแม้โมหะยังกลับมาปกคลุมจิตได้เราก็จะไม่ถูกหลอกให้หลงได้สนิทเหมือนเดิมอีกแล้วมุมมองใหม่ๆจะเกิดขึ้นเช่นเห็นว่า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 ความรู้สึกทางใจจะเป็นตัวการปรุงแต่งมโนภาพให้แตกต่างไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้ากายเป็นชายบึกบืนลาสันแต่ใจมีความกลับกรอกโลเลเกียดคร้านมุ่งทำสิ่งใดไม่ค่อยสาเร็จก็มักจะเกิดมโนภาพของคนอ่อนแอเป็นหลักซึ่งขัดแย้งกับมโนภาพของความเป็นชายผู้บึกบืนลาสันอย่างยิ่งต่อเมื่อฝึกตนไม่กลับไปกลับมา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 เพราะอาศัยธาตุสีในการเกิดอิรยาบทแต่คนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสพิจนารณาความจริงนี้เมื่อหายใจก็เกิดมโนภาพบุคคลกาลังหายใจเมื่อเคลื่อนไหวก็เกิดมโนภาพบุคคลกาลังเคลื่อนไหวต่อเมื่อรู้ชัดว่าหายใจด้วยความเข้าใจว่ามีแต่ธาตุลมเข้าสู่กายและออกจากกายไม่มีบุคคลเข้ามาไม่มีบุคคลออกไป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 เมื่อเป็นสุขจะเกิดโมโนภาพบุคคลผู้ยิ้มแย้มจิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายแต่เมื่อเป็นทุกข์จะเกิดโมโนภาพบุคคลผู้ร้อนรุ่มกลุ้มใจตอนเมื่อฝึกรู้จนเห็นว่าเวทนาคือเวทนาไม่ใช่บุคคลโมโนภาพบุคคลผู้เป็นทุกข์เป็นสุขก็หายไปเห็นเพียงว่าถ้ากายระ ง, งับไม่กัดแกงและไม่กำเกรงก็จะเกิดความสุขทางกาย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 เห็นแต่ว่านี่ก็ขันนั่นก็ขันเกิดแล้วดับตามเหตุผลอันสมควรขันหนึ่งดับไปขันใหม่เกิดขึ้นสืบแทนไม่น่าสมนติเรียกว่าเป็นกายใจของใครจึงสรุปได้ว่าไม่เคยมีใครเกิดมาไม่เคยมีใครตายไปสักคนเดียวแม้นาทีนี้เราก็กําลังเห็นอะไรต่างๆด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นถ้าคิดว่า เคยรู้เห็นหรือเคยคิดว่าเคยมีอะไรมาเท่าไหร่ก็ล้วนเป็นความเข้าใจผิดไปทั้งสิน้นทั้งหลายทั้งปวงเลอะเลือนแล้วสาบสูญไปทั้งสิน้นสิ่งที่จริงมีอย่างเดียวคือเรากําลังถูกหลอกให้คิดว่าขันห้าเป็นเราไปเรื่อยๆทว่าแม้ชํำแหละฐานที่ตั้งของอุปาทานออกมาเป็นชิ้นๆแล้วกิเลสก็ยังไม่ถูกทําลายลงทันทีทั้งนี้เพราะ พวกเรายังอยากมีตัวตนเอาไว้เสพผัสสะอันน่าชอบใจอยู่ดังนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือเท่าทานผัสสะกระทบทั้งหลายเพื่อเผาความอยากมีตัวตนให้เหือดแห้งไปเมื่อความอยากมีตัวตนเหือดแห้งไปสติย่อมเด่นชัดโดยปราศจากมนทินย้อนกลับมาเห็นความปรากฏแห่งกายใจและผัสสะทั้งหลายเป็นเพียงพันธนาการ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 เมื่อยอมรับกับตัวเองตามซื่อว่าติดใจสิ่งใดอยู่ก็ให้สังเกตความต่างของจิตคือขณะใดจะเจริญสติได้ผลจิตจะปลอดโปรง่งปราศจากสิ่งห่อหุ้มไรพันธะร้อยรัดไม่มียางเหนียวยึดเหนียวเกาะกลุ่มแต่เวลาใดใจประวัติคิดถึงหรือจะเอาตัวเข้าใกล้สิ่งที่ติดอยู่ความปลอดโปร่งจะหายไป คลายมีบางสิ่งเข้าโจมจับใจแบบปุบ ป, ปับฉับพลันตั้งสติรู้เท่าทันได้ยากต้องเตรียมตัวดูร่วงหน้าจึงเห็นเราจะรู้สึกถึงพลังดูดจากเป้าหมายภายนอกล่อให้จิตทยานยื่นออกไปเกาะเกี่ยวเนียวรัดซึ่งหากปล่อยใจเพียงชั่วขณะเดียวสติจะขาดหายเพราะจิตโดนผูกมัดอย่างเหนียวแน่นด้วยอำนาจสเสน่ห์ของผัสสะน้น แต่หากมีอำนาจของสติคานกันได้กับอำนาจสเสน่ห์ของผัสสะเราจะรู้อยู่เห็นอยู่ว่าจิตมีอาการทยานยื่นออกไปยึดเป้าหมายและด้วยสตินั่นเองอาการยึดจะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวแล้วปล่อยออกและรู้สึกถึงความเป็นอิสระของจิตที่พ้นจากการเกาะกลุ่มเมื่อเห็นได้ครั้งหนึ่งก็จะสามารถเห็นครั้งต่อไปและถ้าเห็นชัดๆหลายรอบเข้า ความรู้ที่สำคัญจะเกิดขึ้นนั่นคือกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆต้องมีผัสสะกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งนำมาก่อนเสมออาจเป็นความคิดความจำเก่าๆก็ได้เมื่อเกิดผัสสะรอใจแต่ละครั้งแล้วเราปล่อยใจให้ถลําไปกิเลสก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าตั้งสติรู้ได้ทันใจก็จะถอนขึ้นจากลมกิเลสทีละเล็กทีละน้อย ครั้งแร ก, แรกๆอาจยากเหมือนฝืดฝืนแต่ครั้งต่อๆไปจะง่ายขึ้นทุกทีเหมือนเป็นอัตโนมัติทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับความจริงด้วยว่ากำลังสติของเราเท่าทันผัสสะได้เพียงบางชนิดไม่ใช่ทุกชนิดอย่างเช่นแรงรวมผัสสะรอใจอันได้แก่บุคคลอันเป็นที่น่าปรารถนาหน้าสัมผัสยั่วยวนให้เกิดกามารม หากไม่มีทางสู้หรือสู้ไม่ได้ก็อย่าไปสู้ให้อยู่ห่างไปเลยช่วงใดยอมเข้าใกล้แหลงรวมผัดสะที่ร้อนแรงย่อมชี้ว่าช่วงนั้นเรายังไม่เต็มใจไปให้ถึงความดูดพ้นจริงจังแน่นอนว่าไม่ใช่บาปผิดตามคดีโลกแต่ถือเป็นความผิดต่อ น, นิพานเมื่อสติเจริญเต็มกำลังเราจะเห็นละเอียดละอ่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 ด้วยสติที่คมชัดเราจะทราบว่ามีการสูดดมเกิดขึ้นก่อนจากนั้นกลิ่นจึงปรากฏชัดขึ้นซึ่งถ้าเป็นกลิ่นที่หอมหวานน่าเคลิบเคลื่มสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใค่จดจอ่ออยากมีตัวตนไว้สูดดมกลิ่นนั้นนานๆ 4. ในการได้ลิ้มด้วยสติที่คมชัดเราจะทราบว่ามีการลิ้มเกิดขึ้นก่อน จากนั้นรถจึงปรากฏชัดขึ้นซึ่งถ้าเป็นรถที่อร็จอร่อยสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใคร่จดจอ่ออยากมีตัวตนไว้ริมรถนั้นนานๆ 5. ในการสัมผัสด้วยสติที่คมชัดเราจะทราบว่ามีการกําหนดรู้สึกทางกายเกิดขึ้นก่อนจากนั้นสัมผัสแต่ต้องจึงปรากฏชัดขึ้น อย่างเช่นนั่งนานๆจะลืมว่าพื้นที่นั่งมีความแข็งหรืออ่อนนิ่มจนกว่าจะกําหนดดูส่วนของร่างกายซึ่งสัมผัสกับที่นั่งอยู่จึงทราบว่าแข็งหรือนิ่มเพียงใดถ้าเป็นสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินสำหรับเราความยึดติดก็เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ใคร่จดจอ่ออยากมีตัวตนไว้แนบสนิทอยู่กับสัมผัส น, นั้นนานๆ 6. ในการรับรู้ด้วยสติที่คมชัด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 อยากมีตัวตนไว้รับรู้สภาวะธรรมนั้นนานๆผัสสะอันา น, า, นาชอบใจทั้งปวงเว้นไว้แต่นิพพานแล้วย่อมยังให้เกิดความอยากมีตัวตนเพื่อซ่องเสพไม่เลือกราและตราบเท่าที่ยังอยากมีตัวตนตราบนั้นจะมีนิมิตแห่งตัวตนปรากฏขึ้นเสมอทั้งในแบบที่เป็นนามธรรมและทั้งในแบบที่เป็นรูปธรรมไม่มีทางที่เราจะพ้นทุกข์ ตราบเท่าที่ยังยอมถูกผูกมัดไว้ด้วยต้นเหตุแห่งทุกข์การสละความน่าติดใจของผัสสะภายนอกจะทำให้เราเข้ามามีความสุขกับโลกภายในมากขึ้นเห็นความไร้สาระแก่นสารของอาการทยานอยากชัดขึ้นไม่ว่ารูปร่างหน้าตาของเพศตรงข้ามจะสะดุดตาเพียงใดไม่ว่าดนตรีจะไพเราะเพราะพิ้งถูกใจขนาดไหน ขอเพียงมองมาที่ใจอันเป็นอิสระจากทุกข์ก็จะพบว่าไม่คุ้มเลยกับการยอมกินเหยื่อล่ออันโอชาเหล่านั้นสำรวจความพร้อมบรรลุมรรคผลขั้นที่สี่ของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวธรรมเมื่อเจริญสติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามลำดับโดยไม่เลือกล้มกลางคัน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 ถ้ารู้ก็นั่นแหละปากทางไปนิพพานอย่างไรก็ตามสติชนิดที่พร้อมจะพาไปถึงมักถึงผลได้จริงนั้นหมายถึงรู้อยู่เรื่อยเปลี่ยนท่านั่งก็รู้เปลี่ยนจากสบายเป็นอึดอัดก็รู้เปลี่ยนจากสงบปเป็นฟุ้งก็รู้เปลี่ยนจากจิตดีๆเป็นจิตตกก็รู้เปลี่ยนจากปลอดโปรง่งเป็นกระโจนออกไปหาเหยื่อล่อทางหูตาก็รู้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 จะนำไปสู่การมีสติแบบเบาแรงสบายกายสบายใจและพัฒนาเป็นความเคยชินที่จะรู้ไปทุกสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นไม่ว่าลมหายใจอิริยาบถสุขทุกขสภาพจิตตลอดจนสภาวธรรมหยาบและละเอียดทั้งปวงกล่าวอย่างเจาะจงสติที่แท้ต้องรู้ตามที่ปรากฏไม่ใช่รู้แค่สิ่งที่อยากให้ปรากฏ หลายคนจะเกิดสติก็ต่อเมื่อใจสบายโปร่งโล่งแต่ตอนอื่นอัดคัดแน่นจะไม่ยอมรับและพยายามเรียกร้องหาภาวะที่ดีขึ้นแบบทันทีทันใดเดี๋วนั้นอย่างนี้เรียกรู้ตามอยากไม่ใช่รู้ตามจริงสรุปคือถ้าเจริญสติมาเรื่อยๆก็จะไม่เป็นผู้หลงลืมเหม่อลอยไม่ออกแรงเพ่งเคร่งเครียด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 ก็ได้ชื่อว่าเท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามจริงและการมีความสามารถร่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ตามจริงนั้นก็จะพลอยได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้มีความเห็นชอบเป็นผู้ทรงปัญญาเยี่ยงพุทธแท้ข้อนี้บอกเราว่าสติที่ถูกย่อมนำมาซึ่งปัญญาด้วยกล่าวคือเมื่อมีสติย่อมเอาภาวะตรงหน้าเป็นตัวตั้งเสมอ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 การพิจารณาธรรมอาจหมายถึงความสามารถในการรับมือกากิเลสเฉพาะหน้าได้อย่างท่วงทันด้วยเช่นเมื่อเกิดราคากล้ารู้แล้วว่าราคะเป็นสภาวะเด่นให้เห็นชัดในปัจจุบันแต่ราคะยังไม่หายไปเพียงด้วยการตั้งสติรู้นั้นก็เปลี่ยนแผนรับมือกิเลสเช่ใหม่อาจระลึกถึงก้อนเสเลดในลำคอซึ่งทั้งลื่นทั้งเหนียวทั้งเหม็น หากเชี่ยวชาญในการฝึกรู้สึกถึงความสกรปรกได้ชัดก็ย่อมถอนราคะได้ทันสถานการณ์นี่นับเป็นตัวอย่างของปัญญาพิจารณาสิ่งที่ถูกรู้เพื่อให้เกิดธรรมอันควรส ม, มีความเพียรพิจารณาธรรมเมื่อปัญญาในการเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นเต็มที่สิ่งที่จะตามมาเป็นธรรมดาคือความเพียรไม่ย่อย่อนเพราะพบแล้วว่า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 โดยไม่เกี่ย ง, งอนว่าเป็นภาวะใดเช่นขณะนี้รู้สึกพล่าเลือนไม่พร้อมจะตั้งสติก็ทำความรู้จักอาการพล่าเรือนสักนิดหนึ่งดูว่ามันมีสภาพให้รู้สึกอย่างไรแล้วจะแปลไปเป็นแบบไหนอีกเท่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเพียรแล้วผู้มีความเพียรพิจารณาทุกสภาวะธรรมย่อมร่าเริงในการเห็นสภาวะต่างในขอบเขตกายใจ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 และความอิ่มใจในที่นี้ก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับความสมหวังน่าเชื่อมื่นแบบโลกโลกเพราะเป็นความอิ่มใจอันปราศจากเหยื่อล่อแบบโลกโลกกับทั้งไม่ใช่ความ ป, าปราบปลื้มกับการนึกว่าจะได้มรรคผลรำไรในอนาคตอันใกล้เพราะใจเราจะพออยู่กับสติที่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มรรคผลที่ยังมาไม่ถึงเบื้องหน้าความเท่าเทารำ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 ยิ่งจิตเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวเท่าไรก็เหมือนซับภายใดยิ่งเอ่อทนล้นอกมากขึ้นเท่านั้นหากปราศจากความอิ่มใจในขั้นนี้แล้วใจเราย่อมทยานออกไปไขว่คว้าเหยือ่อรอบภายนอกไม่รู้จบสิน้นไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นตกระชาติความรู้สึกของเราให้ยื่นไปยึดได้เสมอไม่วันนี้ก็วันหน้าหา้า มีความสงบระ ง, งับเยือกเย็นเมื่ออิ่มเอมเปรมใจเต็มที่ถึงขั้นไม่อยากได้อะไรนอกจากมีสติรู้นั้นย่อมตามมาซึ่งความสงบระ ง, งับเยือกเย็นเป็นธรรมดากายขยับเท่าที่จำเป็นต้องขยับใจเกิดปฏิกริยาเท่าที่จำเป็นต้องเกิดปฏิกริยาพ้นจากสภาพคนอยู่ไม่สุขนั่งนิ่งไม่เป็นใจเย็นไม่ได้ก่อนอื่น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 กิเลสย่อมปรากฏเป็นของอื่นเป็นของแปลกปลอมจากสติผู้รู้เห็นยากที่จะกดดันกายใจกระสับกระส่ายได้อีกเครื่องชี้ว่าเรามาถึงความสงบระ ง, งับจริงคือการปราศจากแรงดิ้นใดๆลองสังเกตดูง่ายๆตอนที่เปลี่ยนจากความสงบระ ง, งับเป็นฟุง้งซ่านหากรำคาญตัวเองอยากสงบให้ได้อย่างใจทันที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 ไม่มีอิทธิพลพอจะทำให้หวานไหวเสียการทรงตัวลดระดับความสามารถรับรู้ตามจริงเลยเจ็ดมีความเป็นกลางวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นจนความยินดียินร้ายทั้งหลายหายเงียบสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความรับรู้อย่างเป็นกลางวางเฉย อ, อะไรอะไรสักแต่เป็นสภาวะธรรมสักแต่เป็นนิมิตหลอกใจไม่ใช่บุคคล ไม่ควรเก็บมาเป็นอารมณ์ควรรับรู้อยู่เงียบๆถึงการผ่านมาแล้วจากไปของสรรพสิ่งจิตตีตัวออกห่างจากความถือว่ามีถือว่าเป็นเห็นใครตายก็รู้ว่าแค่ภาวะแห่งรูปหนึ่งดับไปหรือแม้เห็นความคิดแย่ๆพุดขึ้นในหัวก็รู้ว่าแค่ภาวะแห่งสังขารขันเกิดขึ้นไม่มีบุคคลอยู่ในที่ไหนไหนทั้งภายในและภายนอก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 แสดงความไม่ใช่ตัวตนของกายใจก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ เ, เราจเจริญสติมาทั้งหมดก็เพื่อสร้างเหตุให้เกิดไฟล้างผลาญกิเลสและเพื่อดูว่าจิตพร้อมจะลุกโผลงเป็นไฟล้างกิเลสไหมก็ดูได้จากการมีสติรู้เฉพาะหน้ามีความเพียรพิจารณาธรรมจนอิ่มใจสงบระ ง, งับตั้งมั่นเป็นสมาธิ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 คำตอบคือความจริงเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์เมื่อเจริญสติมาถึงขั้นที่พร้อมบรรลุมรรคผลเราย่อมทราบว่ากายใจอันถูกส่องสำรวจมาอย่าง ด, ดีแล้วนี่แหละคือที่ตั้งของความจริงเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์ดังนี้หนึ่งทุกข์ทุกข์กคือขันห้าเพราะขันห้าคือที่ตั้งของอุปาทานว่ามีเราเกิดมามีเราแก่ลงมีเราตายไป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 รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่ควรถือว่าขันเหล่านั้นเป็นเราเลยผู้ใกล้บารุมรักผลย่อมเห็นตามจริงว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้รอบสองเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุก ค, กก ค, คือความอยากเสพผัสสะที่น่าเพลิดเพลินยินดีเพราะความอยากเสพผัสสะนั่นเองเปรียบเสมือนยางเหนียว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 ผู้มีคุณสมบัติพร้อมจะบรรลุมรรคผลย่อมเห็นความติดใจในผัสสะทั้งหกโดยความเป็นเครื่องร้อยรัดสมควรละเสียเพราะเมื่อละได้ก็เหมือนทำลายโซ่แห่งความหลงผิดสำเร็จขันห้าย่อมปรากฏในการรับรู้ไม่ต่างกับก้อนเ็จในปากที่ควรถมทิ้งไม่น่าเสียดายไม่น่าหวงไว้สักนิดเดียวผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่า เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งควรละให้ส like oh, huh yes, oh, ิ้น 3. ความดับทุกข์ความดับทุกข์คือการสละคืนความอยากเสพผัสสะได้จริงอย่างสิ้นเชิงเพราะหลังจากสละคืนความอยากได้หมดจดก็เท่ากับดับเหตุแห่งความยินรนกระวนกระวายได้สนิทขันห้านั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสนดีหน้าเพลิดเพลินเพียงใดอย่างไรก็เป็นมหันตทุกข์โดยตัวของมันเองเสมอ ดังที่ผู้ใกล้าบารุมรคผลเห็นตามจริงอยู่แล้วส่วนการสงบจากขันห้านั้นแม้จะยังไม่ประจักษ์ด้วยใจว่าเป็นเช่นไรผู้ใกล้าบารุมรคผลก็ย่อมมีความเข้าใจตรงตามจริงว่านั่นแหละบรมสุขเปรียบเหมือนเห็นว่าไฟร้อนแม้ไฟยังลุกโผรงอยู่ก็ย่อมเข้าใจว่าสงบจากไฟเสียได้สิ้นเชิงจึงชื่อว่าเย็นสนิท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 ผู้ใกล้บรรลุมรรคผลย่อมเห็นตามจริงว่าความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรประจักษ์ให้แจมแจ้ง 4. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือการดำเนินชีวิตเยี่ยงอริยบุคคลผู้บรรลุมรรคผลเมื่อรู้ความจริงอย่างอริยคิดอย่างอริยพูดอย่างอริยกระทาอย่างอริยมีสติรู้อย่างอริย และจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างอริยะวันหนึ่งย่อมกลายเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราสงสัยว่าทำไมเจริญสติแล้วสติไม่เจริญหรือสติเจริญแต่ไม่บรรลุมรรคผลเสีที <c oughs> ก็สมควรใช้ข้อปฏิบัติของเหล่าอริยะ <c oughs> เป็นเกณฑ์ในการสำรวจตรวจตราว่าวิธีดำเนินชีวิตของเราเข้าทางตรงหรือยัง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 ห้าเลี้ยงชีพอย่างอริยะคือหากินด้วยความสุจริตถ้าเป็นพระต้องรักษาวินัยสงฆ์และเพียรเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งตามกติกาการบวชถ้าเป็นชาวบ้านต้องทำอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมหกเพียรอย่างอริยะคือตัดใจละบาปอากุศลทั้งปวงจนเหือดแห้งไปหมดขนวขายเพื่อบุญกุศลทั้งหลายจนบริบูรณ์เต็มที่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 มีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้เห็นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกายใจใดๆผู้ใกล้บารุมรักผลย่อมเห็นตามจริงว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทั้ง8ประการควรเจริญให้มากเมื่อเอากายใจเป็นที่ตั้งแห่งความจริงเราจะพบว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดมานอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทุกขทั้งหลายล้วนเป็นเท็จ ด, ด้วยอาการเลอะเลือนไป เมื่อสงบจากทุกได้เฉพาะตนจึงชื่อว่าเข้าถึงของจริงอันเป็นบรมสุขตั้งมั่นถาวรไม่กลับกลายเป็นอื่นอีกผลแห่งการเจริญสติหากเราไม่ทำอนันตเรียกรรมคือไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าแม่ไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าพ่อไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าพระอราหันต์ไม่ใช่ภิกษุผู้ทาหมู่สงแตกแยก และไม่ใช่ผู้ที่ทำพระพุทธเจ้าหอบพระโลหิตกับทั้งพร้อมพอจะได้ศึกษาทําความเข้าใจตลอดจนลงมือปฏิบัติ ธ, ธรรมเต็มความสามารถจเจริญสติอย่างถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ก็ย่อมเป็นผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประกันว่าภายในเจ็ดปีเป็นอย่างช้าหรือเจ็ดวันเป็นอย่างเร็วจากได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ขี่นาสพ ผู้นิราทุกข์แก่นสารของพุทธศาสนาเร่งกันที่จุดสูงสุดจุดเดียวคือพ้นทุกข์และเป็นการพ้นแบบเด็ดขาดไม่หวนกลับมามีทุกข์ทางใจอีกคือได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตพลากจากขันแล้วเพื่อให้เข้าใจว่าจิตพลากจากขันเป็นอย่างไรก็ขอให้มองว่ากายใจ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 เข้ามารู้กายใจที่ปลากฏอยู่ตามจริงในปัจจุบันจนเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลเป็นของศูนย์นั่นเองกายใจจึงปลากฏเหมือนแม่เหล็กที่เสื่อมแรงดึงดูดลงทุกทีแต่ละครั้งที่จิตรู้ความไม่เที่ยงของกายใจเห็นว่าเป็นอื่นเป็นของแปลกปลอมเป็นภาระไม่น่าเอาก็คือการถอยห่างออกมาจากอานาจดึงดูดของกายใจทีละน้อยทั้งสิน้น ความสื่ออำนาจดึงดูดจะมาในรูปของความรู้สึกแหนงหนายคลายความยินดีเห็นว่าอะไรๆเกิดขึ้นหลอกๆชั่วครู่ชั่วคราวไม่เห็นจะน่าติดใจตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้ยังอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะครองอะไรนานฉะนั้นไม่ควรนับว่าเราได้อะไรมาเท่าไรแต่ควรนับว่าเสียอะไรไปบ้างมากกว่าอย่างไรก็ดี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 ตัวความรู้สึกคล้พ้นไปจากขันห้าอย่างแท้จริงคือเครื่องบอกว่าแรงดึงดูดของขันห้าอ่อนกำลังลงเต็มทีหากเจริญสติไม่เลิกราถึงจุดหนึ่งเยื่อให่ที่ผูให้หลงยึดว่าขันห้าเป็นตัวเราย่อมถึงการขาดสะบั้นลงจิตตั้งมั่นเป็นฌานปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลส ท, ที่เรียกมักคจิตรู้แจมแจ้งว่าขันห้าไม่ใช่เรา กับทั้งประจักษ์ด้วยจิตว่าพ้นจากขันห้ายังมีความสงบจากขันห้าอันไรนิมิตไราที่ตั้งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากการอุบัติขึ้นและพินาศลงจึงเป็นอมตะและทรงความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการใดๆในความพิสูจน์ไรขันห้านั้นไม่อาจมีชื่อแต่เมื่อต้องสมมติเรียกเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจก็สมควรเรียกสิ่งนั้นตามลักษณะเฉพาะ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 เห็นได้จากที่โสดาบาันบุคคลยังมีราคะโทสะและโมหะได้เท่าเดิมเพียงแต่จะไม่หลงทาผิดศีลธรรมเดิมหน้ากิเลสฝ่ายต่ำเหล่านั้นเมื่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทกับทั้งอาศัยความเบิกบานในการเห็นนิพพานก็เดินหน้าจเจริญสติต่อไปสะสมกำลังสติรู้ความจริงแบบอริยะชัดเจนขึ้นโสดาบันบุคคลจะยกระดับได้อีกขั้น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 อันเปรียบเหมือนเส้นใยบางๆยังคงอยู่และเส้นใยบางๆนี้เองที่ลึกลับที่สุดเห็นยากที่สุดเพราะคลายขันห้าไร้แรงดึงดูดแล้วไม่อาจครอบงมจิตได้อีกแล้วแต่จิตก็ยังไม่เป็นอิสระถึงที่สุดยังรู้สึกว่าขันห้าเป็นตัวตนอยู่ต่อเมื่ อ, อนาคามีบุคคลเจริญสติจนทราบชัดถึงที่สุด ว่าจิตผู้รู้ที่แสนสุขก็เป็นตัวทุกข์อยู่ทั้งตัวพอทำลายความไม่รู้ว่าจิตเป็นทุกข์เสด้าอย่างเด็ดขาดนั่นเองจิตจิงปฏิรูปตนเป็นไฟล้างกิเลสครั้งสุดท้ายได้ชื่อว่าอารหันเพราะมีจิตพลากจากขันอย่างเด็ดขาดแล้วผู้เข้าถึงจิตที่พลากจากขันย่อมทราบว่านอกจากภาวะถอยห่างเป็นต่างหากจากกายใจ ยังมีภาวะเหมือนอยู่คละโลกกับกายใจแบบเดียวกับเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่นี่คือที่สุดของฟ้าจริงๆแม้แม้ในขณะแห่งการพูดคุยมโนภาพบุคคลผู้กำลังพูดคุยก็ไม่เกิดขึ้นในห้วงมโนทวารเลยอย่าว่าแต่จะมีแรงยึดจากน้อยหนึ่งมาถือเอากายใจเป็นตนการเจริญสติตามวิธีของพระพุทธเจ้า นำไปสู่ความมหัศจรรย์เหนือความมหัศจรรย์ทั้งปวงพวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจมีศักยภาพในการเจริญสติอย่างถูกต้องจึงไม่ควรรีรอแม้แต่นาทีเดียวในอันที่จะพิสูจน์เพื่อทราบว่าที่สุดของความคุ้มในชีวิตไม่ใช่การใช้ชีวิตได้ตามอำเภอใจแต่เป็นการได้หลุดพ้นจากการครอบงาตามอาเภอใจของชีวิตต่างหา